Samma d i d h i samma sankappa, <Santhasana> samma vaca, h sama. สวดมนต์ตอนเช้านี่บทที่เราสาธยายสวดมนต์ธรวัดเช้านี่บทที่กล่าวในเรื่องของสรารเสริญคุณของพระเจ้าก็คือบทเจริญพุทธคุณแล้วก็สรารเสริญพระธรรมสารเส ร, ริญพระสงฆ์หลังจากนั้นก็เป็นการนอบน้อมพระตนะไตเริ่มตัแต่พุทโธสุดสุดโทกรุณามหันนโวนเนี่ย ที่บอกว่าพระบรมศาสดาเป็นผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์ด้วยพระปัญญาคุณเนี่ยคำว่าบริสุทธิ์คํานั้นเนี่ยโดยพระปัญญาคุณมีพระกรุณามหากรุณาเนี่ยดับดุดห่วงมหันโนบแล้วก็พระองค์ใดมีตาคือยานอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุด เป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลส ข, ของโลกแปลว่าอะไรพระบรมศาสดานี่พระองค์เข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดจากราคาโทสามูหาแล้วพระองค์ก็ฆ่าบาปอุปกิเลส ข, ของสัตว์โลกได้ด้วยใช่ไหมพระพุทธเจ้าจึงเป็นเครื่องกำจัดไยัยพุทธในความหมายความหมายหนึ่ง ก็แปลวเป็นเครื่องกําจัดภัยเลยเป็นสภาวะที่กําจัดภัยก็คือกําจัดบาปให้กับสัตว์ทั้งหลายนั่นเองดูเหมือนว่าพระบรมศาสดาเนี่ยเป็นผู้กล่าวพระธรรมคําสอนใช่ไหมแต่ทําไมพระศาสดาจึงมาอยู่ในฐานะเป็นเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลต ข, ของสัตว์โลกได้ก็คือเป็นผู้ที่แนะนําข้อปฏิบัติ เมื่อจัตนั้นปฏิบัติตามแล้วเนี่ยพระธรรมของพระบรมศาสดาที่ทรงออกจากพระโอษฐ์ออกจากฮาไทยนั่นเองก็เนลมิตร้าในชั้นของคําสอนเขาเรียกว่าพระธรรมในเนลมิตรเนลมิธนั้นให้จากปุรุชนเนี่ยเป็นพระริยาบุคคลได้เลยจะได้เป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปิเกตฉะนั้นพอ เราเกิดความนอบน้อมอย่างนี้เข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อเนี่ยอันนี้คือการนอบน้อมพระพุทธเจ้านอบน้อมพระพุทธเจ้าส่วนพระธรรมธรรมโมปฏิปวิยะตัสสะสัททุโนเนี่ยพระธรรมของพระศ า, ศาสดาสว่างรุ่งเรืองดุดดวงปฏีป แล้วก็จำแนกเลยบอกว่าโยมะคปากามะกะเพทพินกโกใช่ไหทรงจำแนกจำแนกเป็นมรสี 4, ผลสีแล้วก็นิพานหนึ่งเป็นโลกุตระธรรมเก้าคำว่าส่วนใดนี่ส่วนใดเนี่ยหมายความทั้งมรสี 4, ผลสีนิพานหนึ่งส่วนนี้เป็นโลกุตระ เป็โลกุตละธรรมธรรมที่พ้นจากการปรพบรูปประพบและอรูปประพบและส่วนใดส่วนคําว่าและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตละอันนี้ได้แก่พระไตรปิฎกพระปฏิติธรรมเห็นไหมว่าส่วนพระไตรปิฎกคือวินยัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระวิธรรมปิฎกเนี่ยส่วนเนี้ยเป็น ส่วนที่ชี้แนวชี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงตัวโลกุตละธรรมคือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งสรุปนี้คำว่าโยมัคต า, ากรารมตะเพทาพินโกโลกุตโรโยจะตท า, าทีพโนเนี่ยท่านพูดสองส่วนส่วนที่เป็นโลกุตละธรรมเก้าคือมรรคสี่ผลสี่และก็นิพพานหนึ่ง แตส่วนที่เป็นส่วนชี้แนวแห่งโลกุตละนั้นคือส่วนของพระปริยัติธรรมก็คือตัวพ ร, ระไตรปิฎกอัจถริยะติกาทั้งหลายฉะนั้นจามองอย่างนี้จะได้เห็นว่าพระธรรมมีกี่ประการพระธรรมสิบประการใช่ไหมสิบประการเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ก็คือว่าโลกุตละธรรมนั้นเป็นธรรมที่เรายังไม่สามารถ น้อมเข้ามาสู่กระแสใจของเราได้เลยใช่มแต่จิตใจของเรานั้นน้อมหาได้น้อมหาได้โดยการมุ่งหวังและปรารถนามรกรีผลสี่และกนิพพานหนึ่งทีนี้น้อมหาอย่างเดียวโดยไม่มีหนทางเดินไปถึงก็ไม่ได้ฉะนั้นพระประยะิยติธรรมกล่าวคือพระไตรปิดก หรือวินัยยาปิดดกพระสุตตันตปิดดกและพระพิธามปิดดกเขาเรียกว่าพุทธพจน์ ท, ทั้งสิ้นอันต่างด้วยศีขาสาวนี่แหละก่าวคือศีลสมาธิปัญญานี่แหละงั้นส่วนพุทธพจน์เป็นตัวเป็นส่วนแห่งการชี้แนวชี้หนทางชี้ทางเดินถ้าถ้าจำคำสอนผิดเข้าใจผิด การชี้แนวโลกุตละธรรมก็ก็ผิดมองเห็นอย่างสำคัญไหมฉะนั้นทำไมจึงต้องพยายามบอกกล่าวพวกเราตลอดเพราะเป็นห่วงว่าเราจะได้แนวของโลกุตละธรรมนั้นพลาดถ้าพลาดมันก็วนๆกันเหมือนทุกวันนี้แหละถ้าอย่างถ้าเราไม่พลาดในอดีตตอนนี้เราก็คงจะ ถึงนี้นีถึงมรสีผลสีนิพานแล้วและจะได้เห็นว่าตัวส่วนชี้แนวนี่สําคัญหรือไม่สำคัญสําคัญแล้วเนี่ยฉะนั้นที่ต้องระดมให้ช่วยกันกล่าวช่วยกันบอกทั้งหลายเหล่านี้เป้าหมายก็เพื่อให้เรานั้นได้แนวของโลกุตละธรรมถ้าไม่ได้แนวทางแห่งการเดินเข้าสู่โลกุตละธรรม เราก็จะเดินไปในวัตัุเหมือนที่ไมชีกล่าวว่าเกิดแล้วเกิดเล่าแล้วก็ต้องเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตายเดี๋ยวตัางอยู่เดี๋ยวกระดับต่างนแล้วก็เดินออกจากพบไม่ได้แปลว่าในสังสาระวัตที่ผ่านมาเราไม่ได้แนวทางเห็นการชี้แนวนี้เราไม่ได้ฉะนั้นถ้ามองตรงนี้ที่จะได้เห็นความสำคัญว่าการฟังให้เข้าใจจึงเป็นเรื่องสาคัญมากที่สุด ถ้าความเข้าใจไม่เกิดจะไม่ได้แนวทางแห่งโลกุตลานั้นตรงนี้ก็เวลาสวดก็น้อมคารพพระธรรมไม่ชัดว่าพระพุทธเจ้ามีความสำคัญมากถ้าพระบรมศาสดาไม่เสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาพระธรรมก็ไม่เกิดเมื่อพระธรรมไม่เกิดเราก็ไม่ได้แนวทางถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิด เราก็ไม่ได้ฟังแนวทางสรุปแล้วพ ร, พระพุทธเจ้าพระธรรมจึงประเสริฐพระธรรมให้เกิดพระสงฆ์เห็นไหทีนี้ถ้าไปดูในส่วนของว่าวันธามีดำ ม, มังอหมาเจเลนะตังข้าพเจ้าว่ายพระธรรมนั้นโดยใจเคารพเ อ, อื้อเฟื้อไม่ใช่ว่ายธรรมดานะทั้งพุทธเจ้าและทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เนี่ยเป็นอภิวันธนาเนะนอบน้อมอย่างยิ่งไหมนอบน้อมอย่างยิ่ง นอบน้อมด้วยกายด้วยวาจาแล้วก็ด้วยใจการนอบน้อมด้วยกายด้วยวาจาอย่างเดียวพอไหมใจต้องนอบน้อมไหมใจที่นอบน้อมนั้นใจนั้นต้องมีอะไรเป็นประธานแล้วมีศัพทินซีเป็นประธานมีเจตนาเป็นประธานมีปัญญาเป็นประธานเนีแล้วแต่ตัวไหนจะเด่นชัดเนะเจตนาต้องเป็นไปกับกุศลหมต้องเป็นไปกับกุศลแล้วถ้านอบน้อมเนี่ย บุญเท่ากันไหมบางคนก็ใช้กุศลดวงที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่ไหมฮะบางคนก็นอบน้อมแบบมีปัญญาบางคนก็น อ, นอบน้อมน้อมดยมีศรัทธาเป็นประธานในตรงนี้ไงได้มากเรามีอะไรเป็นประธานในขณะที่นอบน้อมใจนอบน้อมมีอะไรเป็นประธานศรัทธาหรือปัญญาหรือเจตนาที่เป็นไปกับกุศลก็รวมๆกันไปยังไม่แล้วแต่ใช่ไหมทีนี้ จิตที่เป็นไปกุศ ล, ลจิตที่มีศรัทธามีปัญญาและก็มีเจตนาเป็นประธานกิริยาคือการนอบน้อมก็เป็นผลใช่ไหมศรัทธาปัญญาเจตนาที่เป็นไปกับกุศลเป็นเหตุไหยเป็นเหตุกิริยาที่นอบน้อมก็เป็นเป็นผลใช่ไหมทีนี้การนอบน้อมเนี่ยจิตที่คิดจะนอบน้อมเนาะ จิตที่คิดใจนอบน้อมเนี่ยมันเป็นเหตุก่อนแล้วต่อมาก็มีกริยาแห่งการนอบน้อมทีนี้ประมาณของกุศลที่เกิดขึ้นจากการนอบน้อมพตัตนาไตรคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นี่ยตรงนี้แหละใครสามารถประชุมกุศลได้มากเกิดขึ้นติดต่อได้มากและสามารถเกิดขึ้นได้อีกยาวนาอันนี้เขาเรียกว่าสะสมนั่นเองเก็บนั่นเองเก็บสะสม ในชั้นของคำสอนตรงนี้จะได้เข้าใจว่าพระสงฆ์ล่ะเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายคําว่านาบุญเนี่ยท่านบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงอะไรคําว่านาบุญเนี่ยบ่งบอกถึงอะไรเป็นสถานที่ที่จะทําให้เราเก็บนะหรือว่ า, พาเพาะเมล็ด พันของบุญเนี่ยบุญนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวไหมเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่า ก, กลัวต่อบุญไงในปุณย์ยะสูตรเนี่ยนั่งคุยกับพระท่านอยู่เลยว่าบอกว่าเธอตั้งหลายอย่า ก, กลัวต่อบุญเลยอย่าได้กลัวอย่าได้กลัวต่อบุญเลยคืออย่าได้กลัวต่อทานในกุศล อย่าได้กลัวต่อสีในกุศลและอย่ากลัวกับภาวนากุศลอย่ากลัวบุญเพราะบุญเนี่ยนำความสุขมาให้ไหมผลบุญนี้ย่อมเจริญอย่างนี้เพราะเหตุแห่งการสมาทานกุศลและธรรมทั้งหลายคาว่าสมาทานกุศลและธรรมทั้งหลายก็คือว่าท่านใช้คําว่าศึกษาคุณละบุตรผู้ไขประโยชน์พึงศึกษาบุญนั่นแหละมีผลอัน เลิอสืบต่อไปซึ่งมีสุขเป็นกำไรคือพึงเจริญทานแล้วก็อบรมศีลเจริญภาวนาเนี่ยเองงนั้นก็คือว่าในความหมายเพราะบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขนี่ตรงนี้เราก็มา พยายามเจริญมาอบรมมาสั่งสมบุญกุศลกันใช่ไหมแล้วต้องกระทำให้มากไหมต้องกระทำให้มากพระก า, าสดาบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงว่าภิกษุทั้งหลายทำอย่างหนึ่งอันภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังประโยชน์ทั้งสองให้สำเร็จ ก็คือประโยชน์ทั้งสองให้สําเร็จก็คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในสัมปรายภพทำอย่างหนึ่งคือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายทําอย่างหนึ่งนี้แล้วอันบริษัทของตถาคตเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วย่อมเป็นย่อมยึดประโยชน์สองประการไว้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในสัมปรายภพ บัณฑิตทั้งหลายย่อมสารเสริญความไม่ประมาทในไหนในบุญกิริยาทั้งหลายบัณฑิตไม่ประมาทแล้วย่อมยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในสัมปรเละภรายาภพนับปราดท่านเรียกว่าเป็นบัณฑิตเพราะการได้ประโยชน์ดังกล่าวนั้นตรงนี้ก็มาให้ควรมาพิจารณาแลยคําว่า จเจริญนเนจเนแล้วภาวิโตเนี่ยทำให้มากพ่อหฤทีกับโตทำ บ, บ่อยได้แก่ประโยชน์เกื้อกูลนะก็คือเพราะความไม่มีค่าศึกทีนี้คาว่าทำให้มากเนี่ยประโยชน์ในปัจจุบันคือประโยชน์ในพบหน้าคืออะไรถ้าหากว่า ประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นคาวาชทั้งหลายก็หมายถึงการประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปกับกุศลด้วยใช่ไหมแล้วก็เป็นไปเพื่อสัอาบายชอบที่ท่านบอกว่าความไม่ประมาทคืออะไรความไม่ประมดแล้วถามว่าประมาทคือการเล่นเล่ใช่ไมการเลนเลน่ที่บอก ในความประมาทและความไม่ประมาทนั้นความประมาทเป็นอย่างไรการปล่อยจิตไปในไหนไปปล่อยจิตไปในกามคุณอารมณ์ไงการปล่อยจิตไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผทะพะเป็นบ่อยไหมที่เราปล่อยจิตให้เผลอไปในรูปที่สวยๆเสียงที่เพราะเพาะกลิ่นที่หอมๆรสที่อร่อยอร่อยสัมผัสที่นิ่มๆี้ทีไรก็มีความสุข การปล่อยใจไปในการบคุณอารมณ์นี่เป็นความประมาทไหมควารประมาทและความปล่อยใจไปในกายทุจริตทุจริตแล้วมโนทุจริตในนีนะ้การเพิ่มพูุนจิตให้เพิ่มเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ปล่อยจิตอย่างเดียวก็คิดจะแหวงหารูปที่สวยๆเสยีส ย, ยงที่เพราะๆอย่างนี้เป็นการเพิ่มไหมทําให้จิตเพลิดเพลินไปในอารมณ์ไหม อย่างนี้เขอยอด ก, การไม่ทําความเคารพในการบําเพ็ญกุศลธรรมอันนี้ไม่ทําความเคารพในการบำเพ็ญกุศลธรรมก็ราะแก่ประมาทนั่นเองตรงนี้เขาบอกว่าข้าพเจ้าไหว้พระธรรมแล้วก็ข้าพเจ้าไหว้พระพระสงฆ์เป็นนาบุญนั้นยิ่งใหญ่กว่านาบุญเป็นผู้เห็นพระนิพพานใช่ไหมพระสงฆ์นี่สาวกของพระบรมศ า, ศาสดาเป็นนาบุญนั้นยิ่งใหญ่ไหมเมื่อเราเพาะเมล็ดบุญ ไว้ในนาบุญเก่าคือพระสงฆ์แล้วเนี่ยเพราะอะไรถึงพอมเลดบุญไว้ในพระสงฆ์เป็นต้นเหลอเนี้ยเพราะพระสงฆ์นั่นเป็นผู้อะไรตัดสะ้ตามเออตัดสะ้ตามพระสุคดหมู่ใดงไงเป็นผู้รักกิเลสเครื่องโลเลใช่ไหมเรามีกิเลสเรายังโลเลอยู่ไหมโลเลผู้หญิงมีความโลเลกี่ประการห้าประการใช่ไหม โลเลในอะไรบ้าง่โลเลในอาหารลเนี่ยทนก็ก็ยังมีความโลเลใช่ไหมนันกิเลสนั่นเองเป็นเหตุแห่งความโลเลเป็นพระเดียเจ้ามีปัญญาดีข้าพเจ้าขอไหว้พระสองหมู่นั้นโดยใจเคารพเ อ, อื้อเฟื้อบุญใดบุญใดบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระตจนาไตร อันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวเห็นไหมนั้นพระรัตนตรัยนี่ควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวสิ่งอื่นที่เราจะบูชาไม่มีอะไรเกินพระรัตนตรัยแล้วได้กระทาแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัทวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญ น, น, นั้นอะไรคืออุปัวะ การเวียนไหวใจเกิดถือว่าเป็นภัยไหมเป็นภนะัยในความโศกความล่ำไรร่ำพันทั้งหลายใช่ไหมบางครั้งเวลาเราสวดมนต์เราก็ขอแค่อุ ป, ปัฏว่าให้ชีวิตเรามีความสุขให้อะไรให้แฟนรักเราเยอะๆให้ลูกเชื่อฟังให้ร่ํารวยเป็นเศรษฐีอย่างนี้ถือว่าปลอดภัยไหมปลอดภัยจะอุปถฏว่าจริงไหมไม่จริงนะมีอะไรบ้างที่จะไม่วิบัติ ไม่มีเลยเนาะไม่มีเลยมีตาเดี๋ยวตามันก็เจออุปัตวะเราที่ถามขอตาของเรานี่อย่าได้เจออุปัตวะเลยอย่าบอดเลยอย่าว้าฟางเลยที่สวดจริงๆก็เปลี่ยนไปไม่ได้เนาะที่สุจริงๆเขาวิบัติหมดเจออุปัตวะเจออันตรายเบียดเบียนใช่ไม่ใช่แค่นั้นการที่สัตว์ทั้งหลายจะพ้นจะอุบอุปัตวะจริงๆก็คือได้ได้ อนุป า, าภานปฏิพญาธรรมนั่นแหละฉะนั้นเป้าหมายจริงๆคือการกราบไหว้พระรัตนตรัยคือการต้องการจะพ้นจากก็ฏฏะทุกนี้บุญใดที่ข้าพเจ้าได้ว่าอยู่ซึ่งวัตถุสามหวโดยกายกรรมวจีกรรมระมโนกรรมเดียวไหมคือพระรัตนตรยัยอันควรบูชายิ่งไม่มีอะไรอีกแล้วที่ควรจะบูชาเท่าพระรัตนตรยัยฉะนั้นบางคน ยังใจยังน้องบูชาสิ่งอื่นอยู่มหมยังน้อบูชาเนะความกลัวภัยความกลัวตายต้องสัตว์ต่างหลายให้เจออะไรไหวหมดเลยนะไหวหมดทมเอาผ้าไปพันต้นไม้ไว้ก็ขอไหวบูชาหน่อยเดี๋ยวที่ไหนเดี๋ไม่ได้ทันไหวก็บีบแต่ต้อนรับไหนแท้แท้เหนื่อยเลยเป็นงั้นจริงไหมทียว่าที่สี่เพราะเรายังไม่ค่อยมั่นใจต่อวัตถุสามคือพระรัตนตรัย ถวันใดเรามั่นใจต่อวัตถุสามเ้าเชื่อมั่นต่อวัตถุสามคือพระพุทธไนาายไตรแล้วสิ่งอื่นต่างๆเหล่านี้เราจะเริ่มถึงความสํำคัญน้อยบางคนไปไหว้สิ่งอื่นเนี่ยนอบน้อมมากกว่าพระพุทธไนาายไตรเนะใช้เวลามากกว่าด้วยเนาะต่อไปเราจะทํายังไงเมื่อเราตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธไนาายไตรแล้วพระพุทธไนาายไตรต้องสำคัญกว่าไหมต้องสําคัญกว่าแล้วเนี่ยสิ่งอื่นก็เริ่ม ถัด จ, จัดออกไปเรื่อยๆชีวิตจะปลอดโปร่งไหมเธอไปปลอดโปร่งโล่งเนาะเพราะว่ามีพระรัตนสามพระรัตนไตรอีาาาธาตถาทโตโลเกอุปันโนพตาตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้คํานี้เป็นคําที่นะเป็นคําที่ว่าพระสาสดาเสด็จอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้นะ เฉะนั้นซึ่งยุคใดสมัยใดไม่บริบูรณ์ไม่ประเสริฐเท่ายุคปัจจุบันนี้นะเพราะปัจจุบันนี้菩าสดาสเสด็จอุบัติเกิดขึ้นอยู่ปเป็นผู้ไกลจากกิเลสปัสรู้ชอบได้โดยพระ อ, องค์เองและพระธรรมที่ทรงสแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ตอนนี้พระธรรมของบรมศาสด า, สดายังสแสดงอยู่มหมยังสแสดงอยู่เป็นธรรมเครื่องออกจากชาติทุกข์ชราทุกข์พยาทุทกข์มรณะทุกข์ไหม ฉะนั้นคนที่ผิดหวังทั้งหลายเนี่ยฟังเมื่อพระศ า, าสดาสเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาถามว่าสัตว์ทั้งหลายที่ประสบความทุกข์ความผิดหวังความทรมานเนี่ยถ้ศาศาสดาสเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อดับทุกข์ให้กับเราท่านทั้งหลายฉะนั้นเมื่อเรามีความทุกข์เนี่ย เข้าหาภาษาสดาเข้าหาผิดคนหรือถูกคนถูกแล้วถ้าเราเข้าใจนะเมื่อเราเกิดความทุกข์ความโศกควา ม, วาม ร, ร่ําไรลําพัน์เมื่อไรเนะเข้าไปเฝ้าภาษาสดาภาษาสดาจะต้องพูดประโยคแรกกับเราว่าใช่ไหมดูก่อนจะเรียกชื่อเราเลยจะทำเวลาไปกราบพระุทธเจ้ า, า, จานั้นให้มนตรีการบอกว่าพระเจ้าเจ็ คุยกับเราว่าไงดูก่อนแล้วก็ใส่ชื่อเราลงไปเห็นไหมบอกว่าตาาคตเนี่ยแสดจอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็เพื่อผู้ที่ประสบความทุกข์เช่นเธอนี่แหละต า, าคาคตจึงบำเพ็ญบา ร, รมีสามสิบพักมาฉะนั้นเธอเข้าหาถูกบุคคลแล้วเธอจึงน้อมใจเชื่อเราสิแล้วเราจะแสดงคามโปรดแล้วเธอจะพ้นจาก ว่าแต่ทุกข์ได้ฉะนั้นเวลาเราเกิดความกลัวเกิดความทุกข์สรุปแล้วมันทุกข์ตลอดไหมต่นั้นจึงควรเข้าเฝ้าพระศ า, าสดาตลอดจริงๆแต่ก่อนเราทุกข์ใจเราก็โทรหาเพื่อนเข้ามาไปปรึกษาคนนั้นคนนี้ตอนนี้เราทุกข์ใจเราจะเข้าหาใครก็เพราะพระตถาคตสเสด็จอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ เป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสุขชอบได้โดยพระ อ, องค์เองใช่ไหมและพระธรรมที่ทรงสแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์เราทุกข์ใจนี่ถ้าเราไม่ฟังธรรมของพระศาสดาเราจะออกจากทุกข์ได้อย่างไรแต่ก่อนเราเข้าหาผิดบุคคลดีไปปรึกษาใครก็ไม่รู้เราทุกข์ใจได้เกินไปไปปรึกษาเพื่อนใช่ไหมเพื่อนก็บอกเออเป็นยังไง เงินเบอกกับเราก็ยังหาทางออกไม่ได้ไปไปมาแล้วจะไปไหนกันได้ม้ไหมแล้วก็ไปคบใครเขาไม่รู้เอาพระธรรมอะไรมาบอกก็ไม่รู้ยังไงไม่ใช่พระธรรมที่ทรงสแสดงเขาอีกแล้วมันจะพ้นทุกได้จริงไหม ย, ยนันตอนเนี้ยเราต้องเข้าหาพระพุทธเจ้าตลอดเพราะเรามีความทุกข์ตลอดไม่มีเวลาว่างเลยนะความทุกข์ในใจเราท่านทั้งหลายเนี่ยทุกตลอดเวลาใช่ไหมตลอดเวลาไหม ตลอดเวลาเน้นต่อไปเราไม่ต้องหาใครแล้วเข้าไปเฝ้าพระศ า, าสดาเพราะพระศาสดาสเสด็จอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นผู้ไกลาจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพ ร, พระองค์เองแล้วพระธรรมที่ทรงสแสดงเป็นธรรมที่เป็นเครื่องออกจากทุกข์เป็นเครื่องสงบกิเลสด้วยเป็นไปเพื่อปรินิพานด้วยเป็นไปเพื่ อ, อนุปาธาปรินิพานด้วยเอาสิ สงบราคาโทสาวโมหามานะที่ถิวิจิกิจชายอด้วยการนอตปะอุทจได้อะเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมอะตรัสรู้พร้อมเลยเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าแต่ก่อนเราไม่รู้ว่าความเกิดเป็นทุกข์ใช่ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศก ค, ความลําไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจ ความพับแค้นใจในเป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พลาดภาคจากของรักของพอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ใช่ไหมโดยย่อก็คือตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยเป็นตัวทุกข์เลยพอบอกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวทุกข์เนี่ยหรือว่าตาหูจมูกเล่นกายใจเป็นตัวทุกข์เป็นก้อนทุกข์เลย พอรู้อย่างนี้เบลเศร็จพระศ า, าสดาบอกเยสังปริญญาญาไงเมื่อเพื่อให้สาวกกําหนดรอบรู้วิจัยพิจารณาทำปริญญาคือยาแต่ปริญญาในไหนในตาหูจมูกเล่นกายใจในรูปเบธนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นสภาวะลักษณะและสามมณีลักษณะของตาหูจมูกเล่นกายใจว่าลักษณะของรูปเป็นอย่างนี้อาการ กิตของรูปการงานของรูปอาการปรากฏของรูปเหตุใกล้ของรูปทั้งหลายเหล่านี้นะรูปมีการแตกสลายไปเป็นลักษณะอย่างไรเวทนามีการเสวยรสของอารมณ์เป็นอย่างไรสัญญาเป็นธรรมชาติมีการจำนะสีต่างๆเป็นต้นของอารมณ์เป็นยังไงสัขงขารกับพงแต่งบุญและบาปวิญญาณกร็รู้รูปอารมณ์เป็นต้นอย่างไรรู้ลักษณะเป็นต้นรู้กิจการงานของ สภาวธรรมเหล่านี้รู้อาการปรากฏยังไงจะได้ปรากฏในญาณปัญญาได้เหตุใกล้เหตุไกลของเขาที่ทำให้เราได้ตาหูจมกูกเล่นกายใจเนี่ยใช้ปริญญาเนี่นะยาต่ปริญญาไปวิจัยปัญญาใช้อะไรสติท่านเองสติถ้าพูดถึงสตินี่บวกหมดเลยเนะก็คือเดินสึขาสามในการที่เข้าไปวิจัยให้เห็น ตามความเป็นจริงว่า น, นี่ไงพระศาสดาทรงแสดงแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อให้รู้จักก้อนทุกข์ให้รู้จักตัวทุกข์ให้รู้จักว่าเรากําลังแบกทุกข์อยู่ใช่ั้ยถ้าเราต้องการจะทิ้งทุกข์ไม่ต้องทิ้งแบบมีวิธีไนปะข่า ต, ตัวตายบนทุกข์ได้ไหมไม่ได้เลยผิดวิธีทันทีกิเลสตังางๆที่เป็นียตแห่งการ เกิดนี่เป็นการเจ้าโศกทั้งหลายแล้วนีถ้ามองอย่างนี้เราจะเห็นอะไรเพื่อให้สาวกกาหนดรอบลูกปลาทางแต่ให้ทำปริญญาเ น, นี่ยทำยาตาปริญญาเพื่อจะได้เห็นความจริงของขันห้าของตาหูจมูกเลิ้ยงใ จ, ใจว่ามันมีตีแล้วนะปริญญามันไม่เที่ยงไงทีนี้ถ้ายังไม่รู้สภาวะลักษณะเนี่ย สามันญลักษณะคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความไม่งามจะเกิดได้ไหมไม่ได้เลยต้องรู้จักก่อนใช่ไหมต้องรู้จักก่อนว่าเนี่ยตาจักขู่ประสาทเป็นยังไงโสตตาศาสตรเป็นยังไงคะเนี่ยประสาทจิวหาประสาทกายะประสา ท, าปสาทาเป็นตัวนเลยต้องรู้รูปก่อนต้องรู้รูปก่อนไหม ทั้งรู้รูปก่อนก็จะเป็นสภาวะที่ยากใช่ไหมแล้วก็เห็นได้ง่ายกว่า น, น้ําบางคนยังไม่รู้จักรูปเลยดูจิตไปก่อนดูจิตไปก่อนจิตละเอียดกว่านะกว่ารูปไหมละยบเหมือแบกรูปอยู่ยังไม่เคยรู้เลยใช่ไหมเราแบกอะไรอยู่ยังไม่รู้จักรูปเลยเนะี่ยอาตามดูจิตนะน้ำละเอียดกว่ารูปไหม เมื่อก่อนถ้าในชำนาญในรูป ก, ก่อนเนาะเป็นไปตามลําดับไหมเป็นไปตามลําดับอย่างนี้เป็นต้นคําสอนของพระปรมาสสะสนานั้นจะเป็นไปตามลําดับเนี่ยถ้าไปดูในขนิก า, ามโมคลานะนก็คือการประพฤติเป็นไปตามลําดับถ้ากุลบุตรผู้มีศรัทธาใช่ไหมที่ว่าพุทธเจ้าตอบแก่ขณิก า, ามโมคลานะถามว่า เวลาในคําสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยต้องมีการกศึกษาตามลําดับไหมต้องมีการกระทำตามลําดับไหมมีการประพฤติเป็นตามลําดับและมีการบรรลุตามลําดับไหมพระศาสดาบอกเป็นอย่างนั้นออุปมาเหมือนอะไรถามคณิกาโมคะลานะบอกเธอเป็นคนชํานาญในการบอกทางใช่ไหมโอ้ชำนาญมากบอกแล้วโดยมากบอกแล้วโดยมากแม่นยำมาก แล้วก็คื อ, อยังไงคือคณิกาโมคะลนะานะชํานาญมบอกพระศาสดาก็บอกว่าพระศาสดาก็สอนไปตามลําดับเหมือนอะไรเหมือนปปภารามวิหารของนางวิสาขาเนะี่ยเวลาจะสร้างเนี่ยเป็นไปตามลําดับไหมต้องศึกษาก่อนไหมศึกษาต้องมีแบบแผนก่อนไหย ม, มีแบบแผนเบเสร็จก็เตือเลื่อนเดือาวล่างก่อนไหมเรื่องขึ้นไปตามลําดับนี้ใชั้นได้ แม้ในพระธรรมวินัยของพระธรรมโคตเนี่ยแล้วโดดเข้าสู่วิปัสนาเลยก่อนได้ไหมมีเริ่มเข้าใจหรือยังต้องมีการศึกษาโดยลําดับมีการกระทําโดยลําดับต้องมีการศึกษาโดยลําดับมีการกระทําโดยลําดับนะก็เหมือนกับสร้างบ้านนั่นแหละใช่ไหมเหมือนกับร้างบ้านเลยต้องมีการเขียนแปนบ้านมาก่อนใช่ไหมศึกษาก่อนว่าจะทํายังไงใช่ไหม เมื่อศึกษาเบ็ยดเสร็จก็จะต้องมีการกระทําเป็นไปตามลําดับไหมเป็นไปตามลําดับเลยอย่างนี้แม้ชั้นใดงั้นแต่ถาโคตรได้กุลบุตรเห็นไหได้กุลบุตรมาแล้วพี่มีศรัทธานะได้ได้บริษัทที่มีศรัทธามาแล้วก็ให้ตั้งมั่นในกุศลศีลก่อนก็คือทานศีลในตั้งมั่นอยู่ในระดับทานศีลก่อนเมื่อเธอตั้งมั่นในปฏิโมกสังวรศีลแล้วถาโคตรจะสอนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ให้พัฒนาสู่อินทรียสังวรศีลให้รู้จักปิดบาปทางทวารตาหูจมูกเล่นกายใจแล้วละเมื่อเมื่อได้ปิดบาปทางทวารตาหูจมูกลิ่นกายใจแล้วตถาคตก็จะสอนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เริ่มรู้จักอาชีวประดิษฐีอาชีวประดิษฐีศีลและปัจจะยะสนิสิตาศีลให้เริ่มใช้สอยปัจใจโดยการที่ว่าเป็นแล้วแล้วก็เลี้ยงขีพเป็นเป็นต้น และสถาคดก็จะสอนด้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและให้บำเพ็ญสุจริาสามเป็นต้นมี้หมก็ไล่ไปตามลำดับไปจนถึงมรรคผลเป็นต้นโอ้พอมคณะกาโมคานะได้ฟังนี้ปุ๊บนี่โอ้โหพระรมาาศาสดาสอนละเอียดขนาดนี้เริ่มตั้งแต่นับหนึ่งสองสามสห้าไปเลยเนี่ยอย่างนี้คนก็บรรลุ ก, กันหมดใช่ไหมเนี่ยเพราะสอนละเอียดละ อ, อเลยใช่ไห มีความไพลระมีความงดงามตามลาดับพระพุทธเจ้ากัลยาณ์ถามเอ้อเธอเนี่ยเป็นนักบอกทางใช่ไหมบอกใช่แล้วพรเจ้าค้าเนี่ยเวลาเธอจะบอกทางไปกรุงราชคฤห์เนี่ยและทุกคนเดินไปถูกหมือนไหมเนี่ยหรือว่านั่งรถหรือนั่งเกวียนไปเนี่ยถูกหมือนไหมบอกไม่เลยบางคนก็ผิดทางบางคนก็ถูกทางทั้งๆ ท, ท, ที่ข้าพระองค์เนี่ยบอกละเอียดรอแล้วลว่า ง, งั้นเนีก็ยังมีคนทัดหลงอยู่เนี่ย ตาถาคดก็ฉะนั้นเหมือนกันตาถาคตเป็นแเนพียงผู้บอกใช่ไหมบอกแล้วเขาเดินผิดเองเขาจาับเพียรผลผิดเองเนี่ยอ่าแล้วเป็นยังไงไหมพระพุทธเจ้ามาบอกคําสอนแล้วแล้วใช่ไหมฉะนั้นบอกละเอียดไหมแต่เราศึกษาไม่ละเอียดเนี่ตรงนี้ศึกษาไม่ดใจร้อนเนี่ยใจร้อนนี่ร้อนใจภายหลังไหม ทุกวันนี้ม่นั่งร้อนใจไปกับรางนี้นี่แหละเพราะไม่ละเอียดในเส้นทาง